ขณะกำลังท้อแท้กับภาพฟัดกันนวเนียเป็นหย่อมย่อมของบรรดาชาวพุทธผู้เจริญโชคชะตาก็มักพาไปเจอถ้อยคำตอกย้ำให้มือ อ, อ่อนเท้าอ่อนยิ่งขึ้นไปอีกเช่นพวกเราวาสนาน้อยเกิดเม่ทันพระพุทธเจ้าอยู่ในยุค ข, ของผู้มีปัญญารามมาเกิดหมดสิทธิ์แล้วละ่ะต้องทำบุญมากๆนะและอธิษฐานไปเกิดในยุค ข, ของพระีอาน